ถ้าคนทำทางจิตมันช่วยได้เยอะครับไปถึงก็เพ่งเราเลยให้มันโผล่ขึ้นมาในจิตเมื่กเกิดจากอะไรแล้วก็โผล่มาบอกอรเราอย่างนี้เ่าเพราะอันนี้อันนี้อันนี้บางทีมรู้ลุงหน้าเลยจังคุืมอสองวันมีคนโทรมาบอกนี่บางคนมีเสียงด้วยนะแต่เราไม่เอ่ยให้ฟังเป็นโรคมะเร็งเป็นเพื่อนกับคนโทรมาแล้วก็เป็นรวยมากเลยรวยมาหาศาเลเนี่ยก็แล้วกันะ่ะแต่เป็นโรคมะเร็งที่ลิ้น ต้องตัดลิ้นทิ้งเอาไหมยกบุญบันไะเอาโลกไปด้วยไม่เอาเงินต้องเยอะแยะช่วยไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ใช่คนเขาว่ากวาอย่างคนที่เป็นเพื่อนโตมาเนี่ยนะก<ช>็ไม่รู้จะทำยังไง ร, ราะแหมคนเราไม่ได้สร้างพื้นฐานอะไรจะไรไวเนี่ยนะรวยไปก็กินไปอยู่ไปสรุกสนานเอหาไป่างวัตถุกรรม บอกกรรมมันเข้ามาแต่ตัดลิ้นก็ไม่รู้อ่ะเราก็มารู้จักสนิทสนมนะบอกคนนั้นได้เคยไปทําอะไรว่ายังไงแต่ว่าเรามองบางคนที่ยังกําลังเป็นอยู่เนี่ยแหมคนนี้มองแล้วมันความรู้สึกเรามันเราไม่ได้ตั้งใจแจ้งออกแหมคนนี้มันเล็งไม่ขึ้นปากก็น่าจะพึ้มันมันยัวนย่วแล้วลเงินยั่วมาเล็งมเงินพฤติกรรมบางคนบางคน่ะพฤติกรรมทางปาเห็นแล้วเราก็ได้แต่แอบนึกนึกแต่ไม่กล้า ไม่ได้ตาถนาจะแจ่งกลัวมาเข้าตัวแต่มึกแล้วก็เป็นห่วงเสียวูบเดี๋ยวนี้มันเล็งมันแหมกมกำลังเป็นพระเอกคอยจะกระโดดจับคนนั้คนนี้ตรงนั้นตรงนี้อยู่เรื่อยแต่ใครยังมีกรรมทางไหนตรงนี้ผมสรุปอีกทีนึงว่าไอ้โลกต่างๆเนี่ยที่ท่านยกว่าเกิดจากเตมหาเป็นสมุดฐานท่านเอาเหตุใกล้มาเป็นตัวเรียกยกขึ้นมาเป็นฐานะสมุดฐานสแสดง เพราะว่าถ้ามันมีเหตุใกล้ปรากฏเนี่ยพูดแล้วชาวชาวโลกรู้เพราะฉะนั้นในทางหมอเนี่ยนะเวลาเขาพูดถึงอะไรแต่ไรเขาจะต้องพูดจากสิ่งที่เป็นเหตุที่เห็นได้ไอนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องพูดอย่างนั้นเพราะเป็นของที่พิสูจน์ได้กล้องส่องดูได้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะแต่เหตุลึกลงไปก็มองมาเห็นนาะงแม้แต่ว่าคนมาเกิดเนี่ยมาเกิดเพราะอะไรแต่ว่าสัตว์มาเกิดวิญ ญ, ญาณมองเห็นที่มาปฏิสนธินี้อย่างลง คุณภาพของวิญญาณก็ยิ่งมองไม่เห็นใหญ่เพราวิญญาณดวงนั้นมีบุปกรรมอย่างไรมาทําไมถึงมาเกิดเป็นลูกของคนคนนี้คนคนนี้ได้ไปทําอะไรก็เข้าไว้ทําอะไรไว้ยังไงมองไม่ออกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็าพูดตามเท่าที่เห็นทีนี้ไอ้สิ่งที่ที่เดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยเรามีเครื่อง ม, มือเครื่องมือกันเรียกว่าไอ้สิ่งที่ที่เป็นสิ่งปรากฏเนี่ยเราก็สามารถจะเห็นสิ่งที่ลึกแค่นี้เทียตาเปล่าเปล่ามองไม่เห็น หูบอกเปล่าได้ยินไม่ได้แต่เครื่องดูมันช่วยทำให้รู้ได้นั้นไอ้ยังคนบ้านเนี่ยเราก็มองไอ้เหตุใกล้คนนี้เคยไปมีปัญหาหชีวิตทงตางครอบครัว อ, อย่างนี้อย่างนี้จึงเป็นบ้าถูกสังคมดีบขั้นพ่อแม่ดีบขั้นมาต่างๆเลยสะสมสะส ม, าสมนานๆเขาเป็นบ้าแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาโดนกดขี่ชีวิตเขาลำเคนญดีกว่านี้ทั้งสองเท่าไม่เห็นบ้า แล้วทําไมคนนั้นบ้าทั้งเียชีวิตเขาเนี่ยเขาเ อ, อีกคนก็เขาแรงแข็งมันอีกคนนนอนน้องแอ้มมีรถขี่มีเงินมีทองไปเที่ยวต่างประเทศกี่ไห ก, ก็ได้แล้วทําไมถึงเหมือนบ้าทั้งที่มีเครื่องทุนแรงนะมีเครื่องทุนแรงในปัจจัยสี่เออกับช่วยทําให้คนบ้าเนี่ยมันก็เรื่องของกรรมกรรมเก่านางประจักรลาก็กรรมเก่าคนเป็นยิ่ ง, งนางจะปัะจัจรลาไม่บ้าก็มี ใช่ไหมใช่พูดแล้วกันไม่เคยอกว่าใครแต่เคยไม่กล่าวเล่าด้ ว, ว่ามันมีนั่นเรื่องนี้นะมันอยู่ที่ไอเหตุเสริมมาหึ่คือกรรมนะเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วบางค น, นแม้จะอยู่ดีๆอย่างบ้าเลยแค่ได้รดบับมรดกปุ๊บบ้า<ม>ดีใจมากจนบ้านะสติก็ไม่ถึงก็บ้าตะลุบตะเพิงคือบ้าตายป็นคนบ้องๆบบเออเนี่ยทุกบราบเหมือนกันแต่ยังดีไม่ตายบางคนถูไว้แล้วตายตาที่ว่าถึง เหตุในส่วนที่ 4, สี่ลักษณะดัวที่สี่คือสาธารณะเหตุกับสาธารณผลอนี่ก็มีไม่ใช่ก็มีอตรงนี้ก็ยกไปอย่างตามในคัมภี์ท่านว่าอโยนิโสมิการเป็นอาสาธารณะเหตุของเหล่าอากุศ ล, ลธรรมโยนิโสมนติการเป็นอาสาธารณะเหตุแก่เหล า, ากุศ ล, ลธรรมรูปาลมเป็นต้น เป็นสาธารณเหตุทั้งสองเอาตัวนี้ก็ง่ายว่ะลูกดีไม่ดีเสียงดีไม่ดีคนรับลูกเห็นลูกด้วยตาดีไม่ดีฟังเสียงด้วยหูดีไม่ดีเกิดบาปก็มีเกิดบุญก็ได้ใช่ไหมใช่ก็ต้องว่าลูกเดียวกันเนี่ยอาแม้แต่พระพุทธลูกองพระพุทธลูกสองคำคนไปเห็นแล้วเกิดกุศลกิจก็มีเกิดอกุศลกิจก็มีเกิดอกุศลฝ่ายโลภาก็ได้เกิดอกุศลฝ่ายโสดาก็ได้ ใครที่เห็นแล้วเกิดโทษสัก็อย่างพวกที่บุกเข้าไปทําลายศาสนาในอินเดียกันแหละขนาดพระพุทธโลกเขาว่าสวยชั้นหนึ่งของโลกเนี่ยไม่ถูกตาพวกนี้ใช่ไหมว่าบุยส ล, ลามที่เข้าไปทําลายศาสนาในอินเดียอย่างเนี้ยรือบางทีก็เกิดทั้งโลภะทั้งโทสะก็มีเช่นว่าพระพุทธโลกองนั้นเกิดที่อิ น, นารานาลมีอัญมณีติดจากพ่อตรงนั้นเกิดโลภะตรงอื่นเกิดโทสะปนกัน อยู่ในหน่วยอารมณ์เดียวกันก็ผนพลันกันอย่างนี้เพราะฉะนั b, ้นอารมณ์หกเนี네่ยเป็นสาธารณะเหตุเป็นเหตุสะทั่วไปแกบุญแกบาปชีวิตเราทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเกิดจิตคุณมัวจิตหวังสายอยู่กับรู้ลดกินเสียงโกรธาเนื้ออารมณ์เดียวกันแท้ๆคนเดียวกันแท้ๆต่างเวลากันยังต่างความคิดถึงถ้าเป็นเหตุโดยเฉพาะ โยนิโสมาสิการแปลว่าใส่ใจในอารมณ์นั้นโดยไม่แยกกายเป็นเหตุเฉพาะที่ทําให้เกิดอกุศลใช่ไหมอารมณ์อารมณ์ อ, มอยู่ต่อหน้าอารมณ์เดียวเนี่ยวันหนึ่งเรามาเห็นอารมณ์นั้นด้วยจิตที่เป็นโยนิโสมานิการรูปอารมณ์นั้นทําให้เกิดกุศลลจิตเพราะมีไอตัวคัดทิศทางของจิตให้เกิด กุศลคือโยนิโสใช่นะแต่ว่า อ, อีกขนาดหนึ่งอีกวันหนึ่งเราไม่เห็นหนู่แต่จิตตอนนั้นเป็นอายโยนิโสมันติการอารมณ์เต่านั่นแหละแต่เพราะมีเหตุเฉพาะของอากุศลจึงทำให้เราเกิดอากุศลจิตขึ้นนี่ว่ายัางรู้ไหมอากุศลจิตตัวไหน อ, อายโยอย่างไรเขาก็มี ที่ฐางของเขาแยกประเยิดลงไปอีกกะนั้นเรื่องสาธารณและอาสาธารณในข้อนี้ถ้าเราว่าเป็นอย่างลึกลงไปเฉพาะเป็นกรณีของบุคคลเช่นว่ากรรมที่เราทำสาธารณแก่คนอื่นไหกรรมดีกรรมชั่วก็ตามเป็นของอาสาธารณไม่เกี่ยวกับอื่นใช่ไหมเป็นของเฉพาะของเราสาธารณมีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาของกรรมที่ตัวได้ทําไว้กรรมของคนอื่นก็เป็นของคนอื่นเพราะฉะนั้นในอ่ากองกระถินกองเดียวกันคนไปร่วมทอดกระถินร้อยคนทํากรรมร่วมกันแต่กรรมที่ทําร่วมกันเนี่ยเป็นของใครของมันเหมือนสำรับเดียวกันแต่และคนต่างก็นั่งโตบเปิดของตัวเองต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างยิงนใช่ไหม แต่กินข้าวสําหรับเดียวกันอาหารชนิดเดียวกันประเภทเดียวกันใน้ิ่นที่ก็จะได้ไปตรงนี้กรนี้ว่าเราในกินอาหารตำรับเดียวกันอาหารอย่างเดียวกันประเภทเดียวกันเราก็ได้อุปนิสัยได้ความคุ้นเคยในอาหารในอะไรต่ออะไรในหมู่นักหนะได้เพื่อนได้ผูกไปงั้นนะมันก็ได้ตรงนี้เวลาเราทอกระถิ่น้อดกระป๋าทําบุญร่วมกันเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีขนทําให้กรรมนั้นเป็นกรรมร่วมกัน ไอพี่โรลใช้คำวกรรมร่วมกันหมายความว่าเวลากรบวนวิบากเรามีพันไอกรรมที่เราสูบดูทรัพย์เข้ามาเนี่ยเป็นของเราของเขาก็เป็นของเขาแต่อาศัยอารมณ์เดียวกันเราได้นิสัยได้ส่วนร่วมแบ่งอารมณ์เดียวกันถ้าสมมติว่าไอวิบากกรรมอย่างนี้มาส่งผลแต่ละคนก็แบ่งส่วนได้กันไปตามส่วนตามส่วนไอพี่โรลใช้คําว่ากรรมร่วมกันเนี่ยมีความหมายแค่นี้เท่านั้น ร่วมกันในสำรับกรรมเดียวกันแต่ต่างคนต่างอิ่ใครกินมากก็่จะเรียกว่าอิ่มมากก็ไม่แน่หรอกก็จะกินแค่ไหนก็ได้ส่วนไปแค่นั้นก็แล้วกันแต่ว่าลักษณะรูปรอยนี่มันคล้ายๆกันเวล า, าประสบเคราะห์กรรมเช่นว่าเรือล่มตายร่วมกันนะนี่ก็เรียกว่าทำกรรมร่วมกัน ร่วมกันไม่ได้ล้วกรรมคนหนึ่งทําคนหนึ่งได้อ่าตัวเองเป็นคนฆ่าสัตว์มาได้ลูกเพราอายุสั้นมาได้ฆ่าสัตว์อย่างไรทําลายสัตว์อย่างไรก็มาได้ลูกที่พิกลพิการอย่างนั้นตัวเองค้าเหล่าได้ลูกก็ปัญญาไม่ติดอะไรอย่างนี้นะมันก็แล้วแต่ว่าทำมาลักษณะไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องนึกว่ามันจะมีตัวแปรนะเพราะว่าคนเนี่ยมันไม่ได้ทําความชั่วไว้อย่างเดียว มันมีกุศลมีอะไรตระเลยเป็นตัวแปรตัวผีสร้างดั้มลอยก็มีเพราะนั้นไอ้ปรากฏการณ์จึงไม่ใช่จะต้องเหมือนกันเป๊เพราะว่าไอ้เส้นทางของอเหตุปัใจจัยในแต่ละคนจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนี่เป็นหลักอันหนึ่งอะต่อไปห้าเหตุเหมือนผลก็มีไม่เหมือนก็นเช่นตัวกรรมเป็นนามให้เกิดผลกรรมที่เป็นรูปบ้างนามบ้าง อตัวนี้ชัดเลยครับว่าบุญบาปที่เรียกว่ากรรมเนี่ยถามว่าเป็นบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรเป็นลูกหรือเป็นน้ำเป็นหนาที่ยกตัวประทานกรรมว่าเป็นเจตนาหนามองไม่เห็นตัวหรอกครับเวลาเราทําดีทําชั่วมองไม่เห็นตัวแต่มันถูกบันทึกถูกเก็บไว้ในสันดานของเราเป็นพลังอันหนึ่งเป็นอำนาจอันหนึ่งเป็นนำนาจจิตปลุกหนึ่งนี่ดูเวลามันส่งผลเนี่ย ยี่บากที่เราได้รับในทางคุณภาพชีวิตคุณภาพจิตคุณภาพจีตคุณภาพจิคุณภาพจิตคุณภาพร่างกายคุณภาพจิตเช่นเราสร้างปัญญาบารมีไว้ยกตัวอย่างว่าเราสร้างพระติบิณฑคไว้สักชุดตั้งเจตนาว่าในาพระติบิณฑคเป็นอันนี้ไม่อยู่ที่ใครเข้าใจแค่ไหนด้วยในพระติบิณฑคเป็นที่รวมขุมความดีทุกขั้นทุกอย่างเราเข้าใจ คนเข้าใจพรได้ริฎกสร้างพาะดุริฎกจะได้บุญมากคนไม่เข้าใจนะรู้เลยว่าดียงังไงทราบซึ้งเวลาสร้างแล้วเขาใจมันออกมาเนี่ยว่าเราให้ความดีแก่คนที่อ่านพระดุริฎกเราให้ปัญญาทุกอย่างเราชัดเจนทราบซึ้งแก่คนอ่านพระดุริฎกเราให้ความสุขทุกทุกอย่างที่อยู่ในพระดุริฎกระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นที่มาของความสุขเป็นขุม พลังหนึ่งความดีความถูกความเฉลี่ยฉลาดอยู่ในนี้แล้วก็ตั้งเจตนาไว้เลยว่าใครอ่านเมื่อไรจนกว่าพระไตรปิฎกนี้จะผูจะพังไปนะเป็นถาวรลทานถ้าทําดีก็อยู่นานก็มาอยู่นานก็ทําให้ให้คนจะไม่มีโอกาสมาอ่านเนี่ยก็มากขึ้นโอกาสดีมากขึ้นเราก็ตั้งเจตนาไว้ทั้งมนุษย์ตั้งเวรนัปปุกไม่อา่านเทวดาให้อา่าน สั้งเกีกันหาไว้เลยถ้าถ้าผมสร้างเนะี่ยผมไม่ได้แคร์นะให้มีจะบอกเคล็ดลับไหมว่ามันจะได้มีคนอ่านจริงจบางคนสร้างไปแล้วเนี่ยแหมคนอ่านน้อยจังนะแต่ว่าถ้าคนถึงบางทีอ่านน้อยแต่บางทีคนหนึ่งอ่านเนี่ยดีกว่าคนร้อยคนอ่านนะอย่างทีมเราสร้างให้คนบางคนอ่านเนี่ยอ่านคนเดียวเดียวร้อยคนอ่านแต่ว่าคนบางคนเขาอ่านแล้วเขาก็เอาไปอ่านแทนคนตั้งพันเนี่ยแต่นะ เราก็ตั้งเจตนาไวเ้เลยอย่าเป็นถาวรละถาวรละธรรมทานจนกว่าเนี่ยครับเราตายถึงขาดจากสิทธนั้นนะสิทธิสมบูรณ์หรือวัตถุทานนั้นที่น่าเมื่อเรายังไม่ตายถึงขาดจากสิทธนั้นโดยห ล, ลักเราก็เรียกลูกค้าตั้งเจตนาเรียกลูกค้าบอกขอให้เพีงที่เราสร้างให้ได้คนได้อ่านแหใครมีความสามารถทางจิตะปลุกเสกเองแล้ก่อน นะให้คนได้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์นี่เขาเรียกว่ามันมันอาจจะต่างได้พวกทามาค้าขายเอาอะไรแต่อะไรไปตั้งแล้วก็ให้นางควักมานั่งกวักสูกค้านี่ขนาดเราจะให้เลยต้องควักมือเข้ามาควักมือให้เข้ามารับก็ ล, ลองดูแล้วก็ติดตามผลงานด้วยจะได้เป็นพระไตกที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช้ความศักดิ์สิทธิ์เป็นพาหะทำไมคนได้ประโยชน์ในทาง <c oughs> อ่าอนุสาวรีปฏิหาร <c oughs> ไอ้ถ้าอย่างนั้นอะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเอาพูดถึงสิ่งที่เราทําเนี่ยตัวเจตไอต้ตัวตัวพระไตรปิกเนี่ยมันก็เป็นวัตถุนะแต่เจตนาที่เราให้เนี่ยเป็นเป็นตัวปฐานนี่นี่บาที่เราได้ละมันควรจะเป็นอย่างไรนี่บาอันหนึ่งก็คือ <c oughs> ไอ้ตรงนี้นะ่ะเอาไว้มาฟังเรื่องอา น, นิสงส์พระไตรปิกแล้วกำลังจะไหว้ฟังตอนนี้ไหว้เราเรา พูดมากแล้วไม่มีเรื่องพูดะนะอะนนี้สิ่งที่เราได้เป็นผลหลักผลโดยโตรงคือคุณสมบัติทางจิตอย่างที่เรารู้เราเข้าใจแล้วก็ผ่อนใจให้ไปเนี่ยให้โดยหัวใจด้วยความเข้าใจที่แท้จรด้วยตัวเราเองหรือมีใครเข้ามาชี้ให้เราให้มองเห็น <c oughs> เราก็จะได้มีจิตใจที่มีคุณสมบัติไอตัวหลักๆที่อยู่นะพีต่ตาบีดกแล้วก็เราจะได้เหตุ ป, ปัดใจ ที่จะทําให้เราเจริญในคุณล้าบัตรนั้นเพราะเวลาได้ได้เป็นวิบักเป็นบาลังติดตัวตั้งแต่เกิดเนี่ยได้แนวโน้มดังจิตใจอะไรติดมา <c oughs> ทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยทําให้เราเวดยกว่าได้กัลยาณมิตรหนังสือก็เป็นกัลยาณมิตรได้หนังสือที่เป็นเป็นหนังสือที่ไม่ทําให้เราเข้าลุกโหมแลวเราสามารถได้แล้วอ่านได้ด้วยได้ประโยชน์จากหนังสือนั้นด้วย หรือได้กัลยาณมิตรเช่นว่าได้มีเพื่อนเป็นผู้ทรงพระรุญาตมีบ้านอยู่ใกล้วัดผู้ทรงพระรุญาตอะไรอย่างนี้นะเราก็ได้สิ่งเหล่านี้ได้กัลยาณามิตรทำให้เราได้ความสะดวกในความเจริญอันนี้แล้วก็ได้ความเจริญอย่างอื่นที่บุคคล หรือที่เราเห็นว่าพระปฏิโดดทาให้ได้อะไรได้บางก็ขยายออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอย่างๆไปอย่างที่พระปฏิโดดชี้ไว้ให้เห็นแต่ข้อนี้เป็นเป็นผลออกไปถึงข้างนอกแต่ในตัวกรรมเนี่ยเป็นเจตนาแต่เวลามันระเบิดงอกงามมาเป็นผลเนี่ยออกมาเป็นจิตอย่างตัวกรรมบ้างออกมาเป็นวิบากเป็นผลในทางสังคมทางวัตถุอย่างอื่นบ้างเึ็ว่าเป็นผลที่เหมือนเหตุบ้างไม่เหมือนเหตุบ้างทีนี้้คนเราในเวลาจะทํากรรมเนี่ย ถ้าเป็นชาวบ้านเวลาเราใส่บาตรหรือทำบุญอะไรก็ตามเรามักจะมุ่งผลที่เป็นไปในทางวัตถุมากกว่าผลในทางคุณภาพชีวิตใช่ไหมเช่นคนทำบุญโดยทั่วไปชาวบ้านเนี่ยก็มักจะนึกขอให้ถูกลุ้โชคขอให้มีทรัพย์สินเงินทองนึกเป็นผลทำวัตถุซะเป็นตัวหลักไปบางที น, นึกอย่างนั้นก็มาเก็ดเรื่องผิด แต่ไปให้ค่าอย่างเอาเป็นหลักไปจนกระทั่งเลวเมาคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตเนี่ยสำคัญอย่างจี่ถ้าสมมติาชีวิตเราไม่มีคุณภาพเนี่ยแค่ว่ามีที่เป็นพันไร่มีเงินเป็นพันล้านแล้วเกิดมะเร็งที่ปากตัดลิ้นชีวิตเราแค่ตัดลิ้นทิ้ง น, นะเงินทรัพย์สินมันแทจะหมดคุณค่าเลย ใช่ไหมเราจะมีแก่ใจไปกินอะไรที่ไหนให้มันอร่อยกินอะไรมันก็ไม่อร่อยแต่เนี่ยเราจะไปเที่ยวสังคมออกงานออกการอะไรมันก็ไม่อยากไปแต่เนี่ยจะพูดจะสื่อความหมายอะไรโว่ลำบ า, ยากยากเย็นไปหมดเลยหรือไ ป, ไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือเว่ า, ากลายเป็นคนบา้บาบอๆเป็นฤถีบา้บาบอๆเอาไปละมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรแต่ว่าถ้าชีวิตเรามีคุณภาพเนี่ย ถึงไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ยิ่งกว่ามีอะไรจริงไม่จริงมีความสุขได้เองอย่างลึกซึ้งมีความดีมีความเฉลิขฉลาดเนี่ยถึงไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ยิ่งกว่ามีไม่งั้นพระพุทธเจ้าจำคงไม่เลือกอย่างนี้หรอกเ <c oughs> ดี๋นี้มาดูอีกข้อหนึ่ง <c oughs> คือปัจจัยที่เป็นชนกชนกเนี่ยแปลว่าเป็นตัวทําให้เกิดผลนั้นขึ้นแต่ไม่เป็นอุปาธรรมภกแก่ผล อุตมภพหมายถึงเป็นตัวหล่อเลี้ยงรักษาอุปธรรมคำจุนให้สืบต่อคงกสภาพไว้ ะ, ะก็มีทีนี้ก็ยกตัวอย่างว่าเช่นจิตโกรธทําให้รูปร่างผิดปกติไปเราคิดโดยเรปกติเวลาเราไม่โกรธนะ่ะเราหน้าอย่างนี้แต่เวลาเราโกรธุ๊หน้าตาจะเหลืองกหลนถามว่ามันกระหล่นไปจนหายโกรธแล้วยังกรหล่นนะมันก็ไม่เพราหายโกรธก็คืนสภาพเดิม ถามันโกรธ อ, อย่างนี้บ่อยๆเข้ามาจะมันมีเขาหรือมีบุคลิกที่เห็นปุ๊บก็รู้สึกว่าเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมคนนี้เป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่ไม่กลัวใครเห็นหน้าปุ๊บเราก็รู้คนนี้เป็นคนเด็ดขาดไม่กลัวใครไม่ยอมตกอยู่ใต้นหน้ากายโดยไม่ถูกตอ้องอยู่เป็นคนมีเหตุมีผลเกิดจิตมันเกิดสะสมบ่อยๆนะแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะลึกๆ แสงอยู่ในบุคคลิกในเวาตาแต่เวลาคนเกิดความโมโเกิดความโกรธมันพอจิตคลายมันก็คลายสภาพไอตอนที่จิตนั้นมันบังคับไม่เป็นไออย่างนี้แเ้าก็เรียกว่าตัวจิตโกรธนั้นเป็นชนกเหตุแต่พอไอตัวชนกเหตุดัดมันก็ไม่อุปาธรรมต่อไปแต่ว่าถ้าเป็นกรรมเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวจะว่าให้ฟังว่ายังเป็นกรณีของกรรมเนี่ยที่บอกว่าเราดูในบรรทัดที่สามงกหกข้ามไปหน่อย ปัจัยที่เป็นทั้งชนกและอุปธรมพกแก่ผลก็มีเช่นกรรมเป็นทั้งชนกและอุปรถรรมพกอาหารที่กินด้วยถึงกันอันนี้ว่าถึงว่าอาการรมก่อนกรรมที่เราได้ทําไว้แต่อดีตนําเรามาเกิดให้มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะะกรรมนั้นก็อุปธรรมทําให้เราเนี่ยคงสภาพรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มีผูดเรีวยว่าไอ้อุปธรรมเนี่ย มันไม่แล้วโอวาทัมมันใช่ไหมโอวถทัมได้เพราะไอกรรมเรามันมีหลายหน่วยหลายส่วนหลายกรณีถ้าไอกรรมคดีอื่นมันไม่เข้ามาเบียดเบียนจะทําให้โอวถทัรรมเราเนี่ยเสียหายหรือคุ้มครองเราได้บางบางบางส่วนบางระ ย, ยะเาก็มีถ้าโอวาทัมมันแข็งพอไอชนอกออโอปปีเรื่องธรรมที่เข้ามาเบียดเบียนก็เข้ามาเบียดเาาบียนไม่ได้แล้วเบียดเบียนได้นิดหน่อยแล้วก็คืนสูสภาพก็่อคู่การณ์กลับคืนมาได้ นีม่มันอยู่ที่กำลังของยนกกรรมของอุปธรรมพวกก ร, รมแต่ว่าถ้าสมม <c oughs> ติว่าไอ้ตัวอุปธมรพวกกรรมมันมีกำลังอยู่เท่านั้นแล้วมีอุปปีติกกรรมอุปคาทิกรรมที่มีกำลังแรงกวามข้ออามาตัดทำให้แขนขาดทำให้ขาขาดทำให้ตาบอดไปสักข้างนึ่งแต่ว่าถึงว่า ไม่ไปพูดป่าปนกับกรรมสายอื่นชนกกรรมที่เราทําแล้วนําเกิดและผูออ้ประทับให้เราคงสภาพอยู่เท่าที่เป็นไปได้าา น, นีอาหารที่เรากินเหมือนกันอาหารที่เรากินเข้าไปทําให้อาหารและชะ ก, กลาบปรากฏก็มันก็อุปธรรม ใ, ให้สภาพนั้นปรากฏไปเรื่อยๆตามอายุของอาหารที่เรากินเข้าไปคราวนี้มาดูในในบรรทัดขยับขึ้นมา ว่าปัจจัยที่เป็นแต่อุปธรรมแก่ผลเท่านั้นก็มีเช่นอุณหภูมิที่รักษาสภาพของเราสัตว์ให้คงอยู่นะออุณหภูมิที่เราจําเป็นต้องใช้ต้องอาศัยอย่างเช่นเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยก็ถือว่ามันเป็นอุปธรรมแต่ร่างกายของเราแก่ประสาต า, ตาแก่อะไรต่างๆที่กรรมมันสร้างมาให้อยู่เย็ยนเป็นสุขอยู่รอบปลอดภัยดีหลักตรงนี้นะเราตึงต้องแยก ว่าตัวทำให้เกิดกับตัวอุปธรรมเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะไอเราดูให้ออกว่ามันเกิดจากคดีกรรมเป็นอันเดียวกันหรือไม่แล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นอันเดียวยังไว่ากรรมนำเกิดแล้วก็อุปธรรมเราก็หาไอตัวอุปธรรมอย่างอื่นเข้ามาเสริมว่าอาหารก็ดีรืออุตูก็ดีหรือแม้แต่กรรมในปัจจุบันที่เราจะทาเข้ามาเสริม ก็ดอีอ่ามันมีหลักว่าถ้าคนไหนชนกกรรมอุปถมัมภกกรรมมีกําลังอ่อนอย่าได้หญิงต่อเหตุปัจจัยลออข้างใช่ไหมครับเกี่กวปัแจัยในปัจจุบันอ้องรู้เลยว่าเราเนี่ยต้องเพิ่มพลังของอุปถมัมภกัตเตอร์เข้ามาให้มากเพื่อจะได้ทําให้เราเนี่ยอ่ามีความเป็นปกติภาสที่เข้มแข็งขึ้นอย่าประมาทถ้าประมาทแล้วก็ ถูกเหตุปัจจัยแทรกซ้อนที่มันตรงข้ามของประทัที่เราปรารถนาจะให้เป็นได้ง่ายจะล้มละลายได้ง่ายล่มสลายได้ง่ายอันนี้ก็ต้องดูต้องยืนความคิดว่าเรานั้นเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยหลายกระแสหรือถ้าไอชนอ ก, กรรมอุปะถะทับพวกกรรมเป็นไปในข้างไม่ดีไอ้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำอีแบบคือเรียกว่าต้องลิดลอมเหตุ ป, ปัจจัยที่เป็นตัวส่งเสริมอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนบางคนเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันเสพของมึนเมาเป็นั่นเลหัวไม้โอกาสที่บุคคลนั้นจะได้รับความเดือดร้อนชีวิตไม่ตลอดภัยโยครคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนมันก็เป็นไปได้ง่ายอันนี้ท่านพูดถึง้เหตุปัจจัยในปัจจุบันที่จะเข้ามาย่ันยีบีทาแก่อุปธรรมภพ ก, กรรมแก่บุคคลนั้นถ้าบุคคลนั้นเป็นคนมีโครคภัยไข้เจ็บอยู่แล้ว มีชีวิตที่เดือดร้อนอยู่แล้วแล้วยังประพฤติละเมิด เ, เามา ก, ก็ทําให้เสียหายได้รุนแรงมากขึ้นอ่านี่ก็เป็นประเด็นที่กล่าวถึงเหตุกับผลที่มีสภาพแตกต่างกันในลักษณะต่างต่างกันเป็นหกประเด็นด้วยกันต่อไปความเป็นไปของปัจจัยความเป็นไปของปัจจัยคําว่าเป็นไปในหมายถึง ไอ้เหตุปัตชีวิตเราเนี่ยอย่างที่ว่ามันเป็นกลุ่มเหตุกลุ่มผลแล้วก็เป็นกลุ่มเหตุกลุ่มผลที่เดินหน้าต่อไปไม่หยุดเดินหน้าต่อไปไม่หยุดเนี่ยหมายก็ว่าเดินหน้าในลักษณะเหตุปัจจัยเป็นกลุ่มเหตุปัจจัยหลายๆอย่างโดยมีตัวหลักแล้วก็ถึงบางระยะเนี่ยไอ้เหตุปัจจัยบางตัวถูกเปลี่ยนเหตุปัจจัยตัวรองนะถูกเปลี่ยนอันอื่นเข้ามาดีขึ้นหรือเลวลง แล้วก็เมื่อเดินต่อไปเนี่ยหเหตุปัจจัยตัวหลักถูกเปลี่ยนจยางเราตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยไอเหตุปัจจัยตัวหลักถูกคือกรรมนำตกกรรมที่นำเรามาเกิดในชาตินี้เราอุปสามไบเนี่ย เปลี่ยนชุดตำหลักเหตุปัจจัยจหลักโตอื่นเข้ามาทําให้เรานะึ่งมีชีวิตใหม่อาจจะเลวกว่าเกา่าหรือ ด, ดีกว่าเกา่าจากหน้ามือไปหลังมือก็ะด่างบวกดังรบอย่างนั้นน่ะไม่ใช่อื่นไกลชีวิตแต่ละชาตินี่คือการเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนปัจจัยให้ในตัวหลักๆเมื่อ mm hmm. เราได้ชีวิตใหม่สิ่งแวดล้อมก็ใหม่เหตุปัจจัยเบ็ดผลิตอย่างอื่นก็เปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรายละเอียดไปเป็นอย่างใหม่ แล้วก็ไอ้เปลี่ยนบางอย่างก็เปลี่ยนไปหมดบางอย่างก็เปลี่ยนไปบางส่วนบางอย่างก็ยังคงอยู่นะยกตัวอย่างเช่นว่าพอเราเกิดใหม่เนี่ยกรรมเปลี่ยนชุดแล้วแต่ถามบานิสัยเปลี่ยนถอดด้ามเลยไหมไม่ถอดด้ามอุบริสัยบารมีไม่เปลี่ยนบางคนนะอย่างพระโพธิสัตว์ก็เปลี่ยนไปบางส่วนบางอย่างก็ยังคงอยู่นะยกตัวอย่างเช่นว่าพอเราเกิดใหม่เนี่ยกรรมเปลี่ยนชุดแล้วแต่ถามบานิสัย เปลี่ยนถอน ด, ด้ามเลยไหมไม่ถอดด้ามอุปนิสัยบารมีไม่เปลี่ยนบางคนนะอย่างพระโพธิสัตว์นี่บางชาติไปเสวยชาติเป็นกาติเลจ า, านเป็นเฮียก็มีเป็นดุนักก็มีหลายชาติว้บาปกรรมหลักเปลี่ยนแต่นิสัยท่านยังไม่เปลี่ยนนะคืออตรงนี้เราก็ไม่อยากจะพูดเรื่องเป็นการเล่นํานวนอ่ณพระโพธิสัตว์เคยเกิดเกิดเป็นตะกรุด เราเรียกตะที่เป็นเพี่ยลที่ไม่สมคำด่าเลยอริยสัจเป็นเพี่ยที่ไม่สมคำดา่าแล้วก็าบางผูที่ไดเคยเจอกับพวกดาบทดฤศีตัวเป็นมนุษย์แท้แต่นิสยัยกลายเป็นเพี้ยลที่วอาดาบทอยากกินเนื้อเพี้ยลนะก็เลยถูเพี้ยดา่าสส อ, สอนแล้ไม่มีดีเวอออริษัทจสอนนั่นเลยมีอยู่ในชาดงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็ ไอ้ชวิตใหม่เนี่ยมันถึงว่าไอ้บางอย่างเปลี่ยนตัวบางอย่างยังเหลือแล้วบางทีนะไอ้ชีวิตใหม่กรรมที่นําเราไปเกิดเช่นว่าไปเกิดเป็นเปรตคนบางคนตายอย่างมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตความที่กรรมส่มไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยเลยกลายเป็นช่องบ่มนิสัยเก่าให้มีกําลังแรงขึ้นยากขึ้นเช่นว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนโลกมากอยู่แล้วแต่โลกใน พื้นฐานของชนกกรรมอุปาทเพราะว่าพวกกรรมก้างนี้พอไปเกิดใหม่เป็นเปรตอาคุสนิบาเข้ามาแทนที่คนคนนั้นกลายเป็นคนโลภมากติดมาแต่มนุษย์แล้วมากกว่าเดิมยากกว่ามนุษย์พอไปเกิดใหม่เป็นเปรตอาคุสนิบาเข้ามาแทนที่คนคนนั้นกลายเป็นคนโลภมาก ติดมาแต่มนุษย์แล้วมากกว่าเดิมยา ก, กว่ามนุษย์เพราะอะไรเพราะชีวิตใหม่นี้บากใหม่มันสอดคล้องกับชะตากรรมไอ้ชะตาที่ใส่ตัวเองที่ได้สั่งผมไว้อันนี้มาว่าถึงเป็นข้อข้อที่ขึ้นหัวประเด็นว่าความเป็นไปของปัจจัยมีอยู่ที่ประเด็นย่อยนะหนึ่งปัจจัยที่เกิดในบางขณะก็มีโลพาโตสามโมหะ ที่เป็นเหตุปัจจัยในเมื่อจิตเป็นอกุศลเป็นต้นโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุปัจจัยชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะไอตัวเองมันก็เป็นผลเหมือนกันแต่พูดในฐานะเป็นเหตุเป็นเหตุปัจจัยชนิดหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยในแง่กรรมก็ได้เป็นเหตุปัจจัยในแง่หีเลตก็ได้คือไอสภาวะธรรมตัวเดียวเนี่ยมีพลังในทางกรรมก็คนโลกก็เป็นกรรม อย่างหนึ่งที่ส่งผลเป็นอย่างหนึ่งคนโกรธก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งส่งผลเป็นอย่างหนึ่งโมหะก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งโ่งผลเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นกิเลสในแง่กิเลสเนี่ยมันก็ปกปิดจิตทําให้บุคคลนั้นมีจิตมืดมิดมีพฤติกรรมอย่างคนที่มีโลภะกิเลสปรากฏโทสะกิเลสปรากฏโมหะกิเลสปรากฏแล้วก็เกิดโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดทุกนาจิตและบางขนาจิตเกิดบางขนาดจิต ใช่ไหมไม่ได้เกิดทุกขนาจิตเพราะนั้นเมื่อใดที่จิตเป็นอาคุศลโลภะโทสะโมหะก็แสดงอำนาจในจิตในขณะนั้นทำให้พุทธิกรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของบุคคลในขณะนั้นเป็นอย่างหนึ่งเมื่ออาคุศละจิตดับ โลภะโทสะโมหะก็ดับไปพร้อมกับขณะดจิตนั้นอำนาจของมันก็ดับไปในขณะนั้นพฤติกรรมของบุคคลนั้นก็ดับไปในขนาดนั้นอันนี้เลยว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีใ น, ในบางขนาดแล้วก็ปัจจัยที่เกิดในทุกขนาดก็มีเช่นกรรมมาปัจจัยอาหารและปัจจัยนี้มีทุกขนาครับอาหารเนี่ยถึงเราจะไม่ได้กินทุก ขณนะทุกเวลาแต่อาหารที่กินแล้วก็จะต้องคงอยู่ทุกขณนะเพื่อทรงร่างกายให้เป็นไปได้ตลอดชีวิตแล้วก็กรรมก็มีทุกขณะครับกรรมมชนะลูกนี้ต้องปรากฏทุกขณนะการหลับลูกต้องปรากฏทุกขณนะประสาตานี่เกิดจากกรรมต้องมีทุกขณนะอันนี้ก็เป็นตัว อ, อย่างนะฮะที่กล่าวถึงเหตุปัจจัยที่เกิดในทุกขณนะ ป, ปัจจัยยืนพื้นแต่ปัจจัยที่เป็นต้นเดิมอไม่มีในพุทธศาสนานี้ผมก็ว่ายต่างมาเรียกว่าอเหตปัจจัยที่เป็นต้นเดิมที่เราเรียกว่าเป็นมูลหลักการเนี่ยไม่มีพูดในพุทธศาสนานเพราะสิ่งที่เป็นเบื้อต้นเนี่ยไม่มีไม่ควรพูดมันมีแต่ไอของเก่าในรูปใหม่นะ ไอ่ป่าป่าวไปต้นเดิมมาเดินไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่น่ามีแต่ว่ามันไม่มีและข้อนี้น่ะพวกนักคิดพวกวรรณยชนชอบสร้างปัญหาถามแล้วก็เลยเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายทือวา่านิยมว่ารูปต้นของทุ ก, ทกอย่างมันมีแต่ไม่เหมือนกับโบกป่อาอวากาศเนี่ย ไม่มีที่สิ้นสุดหน้ามีแต่ไม่มีอวกาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จํานวนของมีดานมีปริมาณที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นคําถามที่มีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าสัตจะเข้านิพพานบอกเมื่อไหร่เนี่ยพูดได้เพราะอะไรเพราะว่านับสัตว์ไม่ได้เมื่อใด ก็พูดไม่ได้ว่าหมดเมื่อไหร่เพราะว่าอีกโลกเอกภพมันไม่มีที่ดินสุด่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันความว่างว่างว่างกว่าไม่มีที่สสุดอากาอวโซนันโตเนี่ยไม่มีที่ินสุด อันนี้ี่พูดถึงไอ้ที่เราพอได้ไอ้เบื้องต้นหน่อยปลำมันนั่งกินแล่ปลาหัวเมื่อไรไม่มีเรื่องต้นห่างนะไอ้เืองนี้นะผมตอบไม่เยอะตอบแล้วก็ตอกคุยกันให้ให้หยุดบ้างว่ามันควรจะมีแต่มันไม่มีเอาไปเอามาแล้วปลากว่า การตอบว่าไม่มีเบื้องต้นเนี่ยสมเหตุสมผลกว่าเพราะคนเราเนีมันคิดมันจะต้องมีเบื้องตอน้นคุณกับสมมติคุณการอะไรจะต้องมีที่สุดมันคุ้นอย่างนี้มันก็เลยมีโอกาต้องไปดีที่สุดแล้วก็คุนกับว่าอะไรมันต้องมีหน่วยที่กาหนดได้แน่นอนว่าคนในบ้านมีกี่คนคนในโลกมีคนนั้นได้มันก็ไม่แค่เขาขอเกลียแค่ในโลก แต่พระเจ้าอวิญญาณนางนันทังวิญญาณไม่มีที่สุดทั้งทั้งที่พระเจ้าเนี่ยทรงมีพุทธญาณนางนันทังคือวิญญาณไม่มีที่สุดเหมือนกันต่างฝ่ายตาไม่มีที่สุดมันก็ไม่จบโดยการไปนั่งดูผนั่งคิดนั่งไล่มันไม่มีจุดจบอย่างนี้ เพระนั้นอย่าถามว่าบื้องต้นอยู่ตรงไหนบื้องต้นแท้ๆมันไม่ได้มาจากความไม่มีความมีไม่ได้มาจากความไม่มีความมีมันมีอยู่แล้วไอ้ความมีที่เราคู้ยๆเนี่ยมันเปลี่ยนระดับภาพมาจากสถานะนหนึ่งมาสู่สถานะหนึ่งเท่านั้นเองหมุนว น, นเปลี่ยนไปอย่างนี้ คือเมื่อเส้นผมบนหัวเราเนี่มันผ่านหัวเรามา ก, กี่รอบแล้วเราก็ไม่ทราบนะรู้ไหมว่าก่อนจะมันเป็นเส้นมาเป็นเส้นผมบนหัวเรานี่เป็นอะไรใช่ไหมมันอาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นเลือดหมูอะไรมางกอง ก, กินเข้าไปโมก า, ายม่าเป็นเส้นผมเ่าและเส้นผมทั้งเส้นเนี่ยมาจากโคเลดินระดางมันไม่ได้มาจากวางเดียวคนะใช่ไหมใช่เพอเส้นผมมันก็ะ อ, อบด้วยกระลาบหล้วกลาบ ไม่ใช่หน่วยเดียวก็มาจากเส้นสายที่แตกต่างกันคิดแล้วก็ับ้านเลยเนี่ยในเด็กๆผมชอบมองนอนรวมมองทางฟ้าแล้วคิดคิดถึงบต้นถึงอะไรคิดแล้วมันชวนบ้าอยู่เรื่อยๆเราทมาศาึกษาสาสนาคือจะหาคําตอบไม่าฟ้านี่ไอ้กําแพงฟ้ามอยู่ตรงไหนหเด็กๆเราคิดอย่างนี้ ถ้าเจอในกะําแพงมันหนาแน่ไหนเราออกนอกกแาแพงไฟไปเจออะไรอีกตรงไหนจะได้เจอฟ้าข้ําำแพงไฟ้าของฟ้าออแล้วที่สุดมันอยู่ที่ไหนนะเราคิดคิดไปึ้นมาแหมมันก็เรื่องประสาทนะก็เรื่องประาทจริงๆดลีล่อเอาตัวล่อมาได้ไม่น่บ้าไปแล้วเคยมีหมอมีน้องสองคนพ่อเป็นหมอแม่ก็เป็นหมอลูกก็เป็นหมอ สองคนจะลายกันนั้นก็ต้องสะตูนแหละแล้วเขาสบสายู่นี่พวกที่ไปถามใครจะตายแล้วแม่กาป า, าหมาผมพวกมาถามเรื่องนี้ผมก็เลยพูดได้เพีว่าทั้งโลกสงสัยไปเลยผมว่านั่นดีนะไอ้ทาไมเราจะต้องมาคิดมันจะต้องมีเบื้องต้นรู้ได้ไงว่ามีเบื้องต้นนีเขาถามมาแล้วรู้ได้ไงนีผมว่าคุรู้ได้ไ ง, ง, ไไงแล้วทําไมถึงต้องคิดละ่ะ แล้วก็มาสรุปว่าอันไหนเป็นเหตุผลที่น่าจะเหมาะสมมากันทั้งโดยว่ามันควรจะเป็นและก็ทั้งโดยว่าเมือ่อเราไปหาต้นตอวะเนี่ยมันมันจะหาเจอไหมเจอแล้วจะได้อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยนะพระพุทธเจ้าท่านเคยพยายามแล้วไม่เป็นประโยชน์ไล่ไม่จบเสียเวลาเปล่าดัะนั้นไเหตุปัใจจัยในพุทธศาสนาจึงไม่ได้พูดอย่างเป็นมูลการ อย่างปฏิจจเนี่ยมีกูเคยมีคนเวลาธรรมารแบบนักคิดยานอยาดิบายว่าอาวิชาเป็นมูลการเดิมทีเดียวไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความรู้อะไรโลกมืดไม่มีอะไรมาก่อนคือความไม่รู้นั่นแหละเป็นเบื้องต้นของนามลูกมีมาจากความไม่รู้ไม่มีอะไรความมืด ตัณฑอธิบายเนี่ยความบ้างอธิบายเป็นแบบบุญบานไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่สายขนาดผูอ้อธิบายอธิบายเป็นจุดเบื้องต้นที่เป็นตัวหลักนะเป็นตัวหลักว่าอะไรอาวิชาเนี่ยเบื้องต้นมันจ่เป็นเบื้องต้นมาจากก่อนหน้ามีมีแล้วไม่ใช่เหรอหมายถึงเป็นวงล้อเหมือนที่มันอยู่ในวงเวียนที่เราจะหาว่าไวงเวียนที่มันหมุนล้อเนี่ยเราจะจับจุดตรงไหนเป็น ไอ้เบื้องต้นมีเบื้องต้นแบบเป็นต้นปอนะะไม่ใช่บื้งต้นโดยลําดับการแบบต้นปอหลักอะไรเป็นเบื้งต้นต้นปอหลักไม่ใช่โดยลําดับการนั้นในคนที่เป็นเบื้องต้นเป็นเบ้อต้นปอหลักนะฮะจะเป็นคนน้อยพอมีอายุน้อยมีประสบมีอะไรต่างๆที่ เราลืมตาดูโลกที่หลังก็ได้แต่เป็นต้นตอนหลักใช่ไหมที่ไปเที่ยวจ้างอะไรใครสักใครก็ไปฆ่าคนนู้นคนนี้มีที่ควรที่จะไปสั่งการใครสักใครก็ได้อย่างอเล็กซานเดอร์มาราชอย่างอัลบามาราตตี่ตัวนี้ไปหวยราดกองลาดกรดาษยื้อย่างน้อยแล้วก็มีที่ควรต่อ คนทางชมพูถวิทหรือคนทั้งตั้งขึ้นขอนโลกคือนี่เรียกว่าไม่ใช่สำคัญโดยวหยโดยลำดับการเกิดแต่สำคัญโดยอนุภาพที่จะกล่อให้เกิดความชั่วร้ า, ายขึ้นในโลกหรือก่อให้เกิดความดีขึ้นในโลกแม้พระพุทธเจ้าเราก็หายูน้อย เมื่อเทียบกับ น, นักบวชเหล่าอื่นในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ก็มีผลมีพลังอยวโลกมากเรียกว่าเป็นโดยบุคคลเป็น่้ น, น, นต่อนิวัตตักพวกูฝ่ายอาจารย์ฝ่ายอาจากรมถานโยกรรมสุขรราระคุตการนโยนี่เป็นต้นต่อของวัตต์ตักวัตารมีนีนิวาโดยบุคคลนะ ถาว่าโดยธรรมก็คือเอาวิชาเป็นต้นต่อกับวัตถะปัญญาเป็นต้นต่อขอที่วัตตะว่าโดยสภาวะธรรมแต่อย่าไปถามว่าต้นเมื่อไหร่มันต้นก็ต้นเท่าที่เรากําหนดได้อย่ยงที่ปฏิบัติได้ไอ้ตรงไอ้หลักตรงนี้แหละครับเรา ม, ามองกันอย่างเผลอๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้จริงทีเดียวครับว่า ตัวเราเนี่ยทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเรามีน่บากประจำชีวิตคล้ายๆโลกประจำตัวใช่ไหมเคราะประจำชีวิตแล้วบางคนไม่ไม่ไม่ตายไม่ไม่ตายไม่เลิกนะต้็งเคราะประจำชีวิตเลยต้องอยู่ไปจนตายแล้วต้องมองอกต้องยอมรับด้วยไม่ใช่แก้แต่ว่าเพื่อกันเพื่อ อะไรอย่างบางอย่างที่ควรจะกระทำไกลข้อกรรมบางอย่างแล้วกุศลหรืบากบางอย่างเนี่ยประจําชีวิตครับเราย่อมในอย่างยอย่างยอย่างเดียวนี่อ่าเป็นพระเจ้เาแผ่นดินเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินมานั้นนะอันนี้ก็เป็นเป็นคือเป็นกุศลหรบากอย่างหลักหรือบางคน เ, นเกิดมาต้องมีวนตลอดชีวิตใครทําให้จนไม่ได้ คนบางคนเกิดมาต้องสุขภาพดีตลอดชีวิตอายุทั้งกายทั้งแล้วฟันยังไม่หักสักทีเออมันก็เรื่องเลวรือชื่วจริงๆนะฟันแท้ทั้งปากเลยแต่มเมือนตายไปแล้วเจ้าชื่นยังใหม่อยู่ยังใหม่เจ้าชื่นดีโลโลฟันดีทั้งปากเลยก็มันมีเคร็อยู่สองอย่างแต่ของเจ้าชื่นมันคือมันจะอมเกลือ แต่อีคนอยู่นู่นอยู่จันบุลีมีดูมสัสวะไม่ใช่คาณมาตืล น, นะไม่ดู ม, มาตั้งแต่กะดีโ บ, บรา ณ, ณดเครือแรงเลยแล้วลตาเป็นมกรายอายุอายุต้องแก่ติดแล้วยงแข็งแรงอนะ่ะหิวพันไม่น้ำไม่นวลดูมสัสวะนี่าลองจะส่งรูป ม, มาให้ผมดูผมก็บอกเอารูปมาผมดูหนะ วันคนหนึ่งดีกินยาฉันยากินยาอุปติจาร์มันตื่นช้าขึ้มาเนี่ยโก็เอาปาตวะกลัวกขอบวนปากฟันดีถามว่านี่เป็นเหตุเหตุหลักไรืเหตุรองไง <c oughs> เป็นเหตุเป็นเหตดรองแต่เหตดรองก็เป็นเหตุเหมือนกันนั้น เราเกิดมาเนี่ยเราพยายามจะดูให้ออกนะว่าชาตาชีวิตเราชาตินี้มันไอ้ดีมันคืออะไรที่มันติดตัวนะชั่วมันติดตัวที่เป็นอกุศลนี้บาปนะไอ้ที่มันก็มันเหมือนมีแววประจําตัวนะเป็นชาตาชีวิตที่เราใช่คนชะตาชีวิตทั้งดีทั้งชั่วทุกคนมีเพีแต่ว่ามันแรงแค่ไหนแล้วไปทางไหนเท่านั้นเอง ถ้ามันเป็นของจรแต่ตอนนี้เราก็อุ่นใจได้เราก็ต้องดูให้ออกนะมันเป็นของจรไอ้จรบางอย่างเขแหมกว่าจะจ อ, จอเวลาจนมาว่าจะจนไปอยู่นานบางทีอยู่เปสิบตีนะไอ้บางอย่างเขาอับมาไปแหละของมาอยู่กระเดี๋ยวเดียวมาแม่นานบางคนก็รวยรวยของปีและจนที่เหลือนานนั้นจนดท่ากเมื่อก่อน ตลอดชีวิตทำธุรกิจขัดทุนแล้วเลยทุกทา่าวนี้จนขนาดอย่งางเก่าจนอยู่ทุกวันนี้เลยทั้งที่เคยเป็นคนร่ำรวยมาก่อนแล้วทีนี้มาว่าทีท่ว่าปัจจัยที่เข้ากันได้ก็มีเช่นโลภะโทสะโมหอะอ่ากุศลกรรมในอบีตกับความประมาณในปัจจุบัน ที่เข้ากันได้ไอ้เรงนี้แหละครับที่ถ้าเหตุปัจจัยใดที่นาผลที่เราปรารถนาปรากฏเกิดขึ้นเราก็พยายามดูว่าเหตุปัจจัยที่มันสตาค้าเ้ากันได้มีตัวอะไรเราก็ทำเหตุปัจจัยเหล่านั้นให้เข้ากันได้พบคนที่เป็นประโยชน์เพื่อกลุ่มเข้ากันได้แลวได้อุดหนุนกัน แล้วก็ปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยแสลงเราก็พยายามที่จะหลีกล้ะเที่ยแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นอกุศลเนี่ยปัจจัยอะไรที่เข้ากันได้เราพยายามจะหลีกละเสี่ยลดทอนเที่ยปัจจัยใดที่สแสลงกันเราก็พยายามจะอบรมให้เกิดแต่้สังคมเดี๋ยวนี้นะบางทีมันมักจะ กับไตรละักษณ์แก่หลักที่ควรจะเป็นเช่นว่าเวลาที่เรากำลังได้รับความทุกความเือดร้อนเนี่ยใจมันมักจะฝักใส่ไปในทางเหตุปัจจัยข้างบาปใช่ไหมใช่ยกตัวอย่างเช่นว่าเรากำลังอดอยากยากจนเนี่ยใจมันก็โ น, น้มที่จะไปโกงไปเอาไปฉกฉวยเอาของใครเขามาทั้งโดยโกลุ่โดยอ้อมเนี่ยได้เดิง่ายจริงไหมที ไอ้ที่จะมานั่งเชื่อกรมมั่นใจในกรรมว่าโ อ, อ้นี่เรากําลังได้รับอุบายเราต้องอดทนเราต้องมั่นคงในสี่งข้อ น, นี้ข้อ น, นี้เราจะได้ค้นจากบาปข้อ น, นี้วันนี้ไม่ทีเดียวนะครับที่ไม่ดีเพราะนั้นยังว่าคนไม่โกงไม่ฆ่าเนี่ยพลังได้รับความเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่หนึ่งนมันอดไม่ได้แล้วที่จะกล้า ข้ามาเพื่อพอเห็นว่าตัวเองจะพ้นจากความเดือดร้อนได้อ้างว่ะมันจําเป็นมันจําใจก็คิดไปไปอย่างนั้นทั้งๆที่ว่ากรณีประเภทนี้น่ะรู้อยู่ว่าไอ้กระแสเหตุปัจจัยมันอะไรความดีผัดเอาไว้ทํำวันหน้าคิดกลับตลรรกะกันไอ้ที่ไม่เชื่อแล้วก็จับเหตุจะผลผิดเนื้อ ก็มีเรี่งนั้นก็น่าเห็นใจอย่างเช่นคนมีความทุกข์แล้วไปกินเหล้าย้อนใจบาทุกนี่ยถูกไหมเขาคิดว่าเขาทำถูกเมื่อคนประเภท น, นี้เขาคิดว่าเขาทำถูกแต่ในทางธรรมานแล้วและเหอปัจจัยที่เข้ามาได้นี่ก็ก็ถือว่าอธิบายบริการกันแล้วกัน ข้อสามปัจจัยที่เกิดกับทุกคนทุกภูมิก็มีเช่นกรรมนิสัยนะหรืออาหารอาหารก็เกิดจาทุกภูมิถึงจะเว้นภูมิบางภูมิมันเป็นภูมิท่นั้นสูงอยู่บ้างแต่กรรมเขาเ็นิสัยทีติดไปทุกภูมิติดนานด้วยครับแล้วก็ปัจจัยที่เกิดกับคนบางคนบางภูมิก็มีเช่นรูป ปัจจัยไม่มีแกรูกหูหูนำปัจจัยไม่มีแก่ฉันมีภพโลพาโทสามโมหะไม่มีแกผู้ซึ่งกิเลสคนตาบอดไม่ได้ปัจจัยจากจากสุภาษิตอ่าตรงนี้ก็ได้เห็นชัดนะว่าไอ้บางคนอะคุมันมีไอข้อแม้เห็นเช่นว่าคนไหนเกิดมาตาบอดหรือหกจะให้เขาไปเจริญอายตนะทางตาทางหูก็มไม่ได้ ก็จะไปศึกษาหาความรู้ด้วยสายตาด้วยสายหูมก็เป็นไปได้ย่าง เหตุปัจจัยตัวนี้มันหมดก็ขอเลยไปถึงข้อสี่หรือท้ายกำบับในช่วงนี้นะปัจจัยที่ร่วมกานละลร่วมเจสหะผลของตนเช่นที่เลสที่บ่อนทําลายจิตคนนั้นในขณะนั้นนั้นไอ้ตรงนี้นะเจตกับปัจจัยที่ร่วมกันละกันเท่าไหร่เนี่ยรวมแม้กระทั่งว่าเข้ามาในขณะจิเดียวมันเห็นง่ายมันเห็นโ ท, <ๆ>ทเห็นไปรไดเห็นคุณง่ายยากตัวอย่างเช่นว่าเราจะอธิบายว่าคนทําความดีได้รับผล ดีทําทีเนะื่คือทำแด้วสบายใจอย่างนี้มันถึนงง่ายเลยนะ ค, คนทําความช่วยทําแล้วลมันไม่สบายใจแค่อย่างนี้ก็ถึงง่ามีสือ่อมันเกิดเป็นใจจริงจริงเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แค่นี้ ม, มันจะมื่หนึ่งเท่านั้นอย่างว่าคน เราพูดถึงความโกรธเนี่ยคนก็เห็นโทษเห็นผิดเพราะว่าโกรธแล้วมันไม่สบายใจนองได่หลักใช่ไหมใช่แต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ความโลภความโลภยินดีติดใจโลภแล้วมันทําให้เกิดการผัดขวางความมีบางอย่างคนไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้โลภบางอย่างก็บอกเข้าใจอยู่เช่นว่า เ, เราดูหนังดูละครหมอระศดเป็นเสี่ยนน้าของโคมะจังเนี่ย เรไม่เข้าใจกับตัวนี้คนไม่ปฏิบยยัติธรรมเข้าใจต่คนไม่ไปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจคนไม่ไปฏิบัติธรรมนี่นี่เป็นเป็นเหตุผ่องใสเป็นเหตุแงความสุข ค, ค, คุณคิดไปซะอย่างนั้นทั้งที่ว่ามันปรากฏอยู่ในขนาจิตนอก็เอาเป็นว่าไอเหตุกับผลมันร่วมการละ ก, กันเนี่ยจะเป็นการละกว้างออกไปกว่าขนาดจิตนี้เป็นเหตุเป็นผลที่ เวลาเราจะอธิบายอะไรบางอย่างให้คนยอมรับเนี่ยก็ต้องยกเหตุผลอย่างนี้อธิบายก่อนแล้วก็สาวไปหาเหตุในทางลึกหรือแม้แต่คนที่จะเห็นเหตุผลในทางลึกได้ก็ต้องขึ้นไปจากการเห็นเหตุผลในทางใกล้ขอนแล้วค่อยๆสูบขยายออกไปในการทุนอื่นโดยลาดับไปภายหลังนี้โดาการต่อไปว่าปัดใจที่ร่วมกาละ แต่แยกเทสากับผลของตงก็มีไอ้คิดว่าคเรื่องเทสาหมายถึงเราถามที่อย่างเช่นเวลาคนเกิดความสุขขึ้นมาในทางจิตความสุขนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใช่ไหมจิตตั้งอยู่ที่ไหนความสุขตั้งอยู่จิตแต่ถามว่าความสุขที่เกิดทางจิตเนี่ย <Yeah. S 1> มันมีผลไปถึงร่างกายทั่วทั้งหมดไหมมีผลไปถึงร่างกายทั่วทั้งหมดจิต หน้ายืนก็จิตฟังให้ยืนอยู่ที่เดียวหรือคนละที่คนละที่จิตฟังให้ยืนอยู่ที่นึงแต่ใบหน้าที่ยืนนอยู่ที่นึงจิตสั่งให้เขียนหนังสือหนังสืออยู่ที่นึงจิตสั่งอยู่ที่นึงงานศิลปะอะไรก็แล้วแต่จิตสั่งให้ทําอยู่ที่นึงแต่ว่าผลหานออกใหม่ที่นึงเพราะฉะนั้น ไอ้ลักษณะเหตุปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าร่วมกายากันก็จริงแต่ว่าแยกเทศสากันเกิดพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่หนึ่งแต่สามารถที่จะใช้พลังจิตเนี่ยไปบงังคับบุคคลหรือทำให้บุคคลเป็นไปอย่างพุทธประสงค์ใจเป็นอีกที่หนึ่งได้อันนี้เรียกว่าสั่งเดียวนันเกิดผลเดียวนั้นแต่ว่าคนสั่งอยู่ที่หนึ่ง ควนถูกสั่ให้เป็นอยู่ที่นี่คราวนี้ในท้ายที่สุดเลยว่าปัจจัยที่แยกกายละแยกเทสะกับผลของตนนะอันนี้มีหลายปัจจัยอย่างกรรมที่เราทําเนี่ยอันนี้เห็นชั้นในแง่หลักการแต่ว่าในแง่พอเป็นจริงเห็นยากกรรมที่เราทําเนี่ยเราทําไว้เมื่อไหร่กาไม่รู้มันไกลกันจนกระทั้งเราเลืมไปเลยเราลึกถึงไม่ได้เลย ข้ามพกข้ามชาติไปเป็นอันมากก็มีแต่มันสามารถที่จะมาให้ผลในปัจจุบันนี้ได้นนชีวิตในปัจจุบันเราเนี่เป็นผลของกรรมเก่ากรรมหนาเกิดในกาลหนึ่งในเีปตาคืออาตภาพอื่นในที่อื่นแต่เวลามาจะโหยวิบากเนมาจะโหยในอาตภาพหนึ่งในที่หนึ่งคนละอตภาพคนละสถานที่คนละกาลเวลานี่ถือว่าเป็นเหตุผล คือท่านพูดดูว่าพลังของปัจจัยอย่างนี้มีพลังเหนียวแน่นมันถึงให้ผลให้ผลข้ามการข้ามเพสาข้ามภพข้ามชาติได้แต่เราก็เห็นมันยากมันแล้วยังมีเอษารดีชุดหนะ่งที่เอามาแจกเข้าใจว่ามาใจให้ได้ใช่ไหมที่ว่าถึงเรื่องสัมพันธะธาพของเหตุปัจจัยที่จะอธิบายวันนี้นะเราจะได้จบไอ้หลักใหญ่ๆแล้วก็ทีนี้เวลาเราไปเข้าเรื่องเนี่ย เราจะนึกออกได้ม่ายขึ้นสิ่งที่พูดในฟัานี้ไม่จาเป็นต้องจำแต่ให้อยู่ในความเข้าใจเป็นสําคัญและการอธิบายโยงกลับมาจะําอันจำใบหลังแล้วก็นําเข้าไปสู่ความจําในภายหลังเองแเดี๋ยวเราจะมาพกรุนอีกช่วงหนึ่งนะครช่วงนี้พักสำรับครู่หนึ่งแล้วก็ขณะพักไปก็จะมีเสียงส่วดมนต์ของท่านอาจารย์โกงกาเกี่ยวกับปัฐานที่พม่าเขาสูดกณนะ แต่ว่าพระม้าตัวไม่เท้าเท่าท่านเานกรงกล้าสวดเป็นเกรงกล้าการสวดแบบสมเดยจมาทางอินเดียฟังแล้วภัยเราก็ฟังไปด้วยอีกหน่อยก็อาจจะต้องเอาเทีไปเปวจฟังแล้วก็ท้องประธานเป็นดวกสวมมงประจำตัวของท่านกระดับรักษาศ า, ส, า, ส, าสนาด้วยแล้วก็วันนี้นะมีมีเอกสานที่เป็นตัวบวกท่องมาแจกให้สองหน้าคงแจกไล้ใช่ไหมคือจริงๆมัมีข้าหน้า นี่ว่าเอามาเช้าเนี่ยผมไปที่ร้านขายเอกสาแล้วก็ผปิดก็ลงมาให้ทางนี้ถ่ายให้พอดูไปก่อนแต่ก็จะเป็นตัวหลักตำลักท่องแล้วก็ในทางจอธิบายในภายหลังๆก็จะมาจากบทชายบทเี้นะครับรับสักครู่นะครับ